เป็นวันอาัฐามีฤิธีที่แปดคำแห่งกาลปัตเป็นวันเดือนเก้าแรงแปดคำเป็นวันรักษาอุโบสถศีลของทายกทายิกาวันเช่นนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่มีแต่มนุษย์ พากันจำสินฟังธรรมแม่เทวดายวบสวรรค์ถึงวันพระแปดคำสิบห้าคำก็พากันไปสู่ธรรมสภ า, าสาศาลาเพื่อฟังโอวาทจากพยาอินทาธิระได้ดอกไม้ทูกเทียน เ, เป็นทิพย์ มาสักกราระบูชาพระเกตแก้วจุลมานีเจดีกราบไหว้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเดินเวียนประทักษิณสามรอบเดินรอบพระเจดีเป็นด âm เนียมของเทวดาหรือมนุษย์สมัยนั้นการเดินเวียนนี้ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง เหมือนอย่างพระมหากระสปะกับลูกศิษย์ห้าร้อยเดินทางไปถึงสถานที่ประชุมเพลิงของประศาทรด า, ศ า, ศาแล้วท่านก็ไปทำพิธีเดินเวียนประทักษิณสามรอบพร้อมด้วยลูกศิษย์ก็จึงเข้าไปกราบในขณะนั้นก็มหัสจัรั์เกิดขึ้น คือบรรดาลให้พระบาทของพระองค์โผล่ออกจากทีบเหล็กนั่นมาให้ท่านพระมหากัตริได้เข้าไปกราบแทบพระบาทมูลของภศาสดาเสร็จแล้วพระบาทนั้นก็กลับเข้าไปอยู่ตามเดิมอันนี้เป็นมหัสจรรทร์อันหนึง่งที่แสดงให้เห็นว่า ท่านพมหากสปะนั้นจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์สำหรับทำปฐมสังคายนาร้อยครองพระธรรมวินยัยให้เป็นหมวดเป็นหมู่ไว้เป็นปฐมเลิกหลังจากสี่พระ อ, องค์เสด็จดับขันปรินิพานมาแล้วได้สามเดือน พระอรหันต์ดังห้ารอยลูกท่านก็ทำสังฆายนาทำอยู่เจ็ดเดือนในครั้งนั้นจึงสำเร็จลงได้อั <c oughs> นนี้เป็นธรรมเนียมของกา ร, รแสด ง, งความเคารพกราะต่อท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย ถึงจะเกิดมาในสุดท้ายภายหลังส่วนพระคุณทั้งสามประการนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพุทธศาสนิกชนก็ยังมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าถือเอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่พึ่งกำจัดกาจัดภพภายได้จริง เราจึงได้ยอมสละจะตุปัจจัยเงินทองเข้าค้องมาบูชาพระพุทธศาสนานี่ด้วยการสร้างเสนาสะนะต่างๆอันเป็นที่อยู่อาศัยของสงบัางอันเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศล ส, ส่วนรวมเช่นศาลาการประเรียนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึงความเลื่อมใส ความเชื่อมั่นในพระคุณทั้งสามนั้นว่าประเสริฐจริงเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงก็จึงยอมสละจตุปใจมาบูชากันแถมยังสละความสุขเล็กๆน้อยๆนั่นมารักษาศีลฟังธรรมสํารวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปเป็นต้นอันนี้นะพ่ะเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างสูงขึ้นไปจากการให้ทานพราะการสำรวมอินทรีย์การสำรวมจิตใจอันนี้นะเมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลแล้วมันก็ไม่ตกไปในทางสํา ดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นการบาเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงให้เพิ่งพาการเข้าใจต่อการบาเพ็ญบุญกุศลมันก็เป็นขั้นตอนไปมันก็แต่ยังต่ำขึ้นไปอย่างสูงขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับบุคคลผู้ยังมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่มันไม่มีสิ่งใดที่จะมาขจัดกิเลสออกได้นอกจากธรรมะแล้วไม่มีดังเช่นพระพุทธเจ้าทรงดำลิทีแรกก่อนจะเสด็จออกบวชในโลกนี้มันย่อมมีของแก้กันเมื่อมีร้อนก็มีเย็นแก้ มีมืดแล้วก็มีสว่างแก้มีชั่วแล้วก็มีดีแก้มีทุกข์แล้วก็มีสุขเป็นเครื่องแก้นี่พระ อ, องค์เจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วเมื่อมีทุกข์แล้วก็คงจะมีหนทางดับทุกข์ได้ก็ต้องมีอยู่แน่นอนพระ อ, องค์ทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็จึงได้เสด็จออกขวดไป เพื่อจะสวยหาทางดับทุกข์อันนี้นบอเป็นความจริงธรรมชาติต่อธรรมชาติมันหักขัดจัดกันเองเช่นอย่างมืดกับสว่างอย่างนี้แหละเมื่อกลางคืนมีแล้วกลางวันก็ต้องมีพระอาทิตย์แหละเป็นเครื่องขจัดความมืดของโลกนี่ให้หายไปความสว่างเกิดขึ้นมาแทน อันนี้เขาเช่นเดียวกันนั่นแหละธรรมะแหละเป็นเครื่องขจัดกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจของคนเราให้เบาวางไปหมดไปสิ้นไปได้เช่นอย่างว่าบุคคลรักสวยรักงามอย่างนี้นะก็โดยที่มองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่อ ง, ง, งสัมผัสต่างๆเ่ย เป็นของสวยของงามน่ารักน่าใครพอใจทีนี้เมื่อมาพิจารณาด้วยอำนาจแห่งสมถะและวิปัสนาแล้วก็จะมองเห็นตรงกันข้ามว่นี่ไม่มีอะไรเป็นของสวยงามเพราะเป็นของไม่เที่ยงและก็ธรรมชาติของสภาวะธาตุทั้งหลายในโลกอันนี้ มันก็เป็นของโตกะปกอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจิตใจของคนเรานี่มันถูกอวิชชาตันหาครอบงำจึงได้เห็นสิ่งเป็นชอบไปเห็นของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามเห็นเป็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงยั่งยืนไปเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ตามธรรมดามันแล้วมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ก็เห็นเห็นไปเสียว่าสิ่งเหล่านี้สามารถอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ใ้ความเห็นอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นความเห็นวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนี่พูดถึงธรรมปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านพูดจเจริญธรรมถา่าิปัสนา สูงขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองเห็นสังขารต่างๆเหล่านี้ตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยไม่มีปิดบังแต่ผู้ที่ไม่ได้เจริญธรรมถ่ายปัญนามีจิตใจไม่ตั้งมัน่นยังเลื่อนลอยอยู่ยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่ก็จะมองเห็นไปอีกแง่ห น, นึ่งเมื่อสิ่งใดตนชอบใจก็ว่าสิ่งนั้นน่ะสวยงาม ก็สแสวงหายึดปั้นถือมั่นไว้ถ้าสิ่งใดตนเห็นว่าไม่ควรแกต่ตนตนไม่ชอบใจก็เกลียดสิ่งนั้นไม่อยากได้มันไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินมีความรู้สึกของสามัญชนโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้ไอความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวมานะั้นพระศาสดาทรงตรัสว่าไม่เป็นทางคนทุกข์ ก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงละ่ะผู้พ้นทุกข์นั้นใครเป็นผู้พ้นกันก็คือดวงกิดนี่เองพ้นพ้นจากความยินดีพ้นจากความยินร้ายพ้นจากความโศกเศร้าเสียใจที่ได้ลำพันธ์พ้นจากความรับแขนใจความโทมนัสน้อยเนื้อสามใจต่างๆมูน mm ี hmm. ่ อลักษณะอาการกองทุกข์ต่างๆที่กล่าวมานี่ไม่มีอยู่ในดวงจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายนี่แหละคาว่าพ้นทุกข์นะพ้นอย่างนี้เองนะคําว่าตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์มันก็คงกันข้ามอย่างว่ามานั่นเลยเป็นผู้มากไปด้วยความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่าง จิตใจวันไว้ไปตามอิทธารมอนิธารม์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงหาความสุขเป็นปกติไม่ได้แต่ละวันแต่ละคืนจิตใจวันไว้ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่กิรังยั่งยืนอยู่อย่างนั้นแต่ที่นี้บุคคลพูดที่ยังละกิเลสให้ขาดไปไม่ได้ เช่นนี้นี่แต่ว่าเป็นผู้สนใจในธรรมเป็นผู้กําลังปฏิบัติธรรมอยู่อย่าง น, นี้นี่ก็จะเลือกยินดีตั้งแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษออสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วจักไม่ยินดีพอใจท ร, ร ม, มันพูดมันออก็ต้องแยกออกไปอย่างนี้เพราะว่าในธรรมขั้นต่าขั้นโลกีย์อุสนี่นะ มันก็ต้องมีความยินดีพอใจแทรกอยู่เช่นดังท่านกล่าวว่ากามาพระจรกุศลอย่างนี้แหละการมาวาจรกุศลนี่หมายถึงกิจท่องเที่ยวไปในรูปในเสียงในกลิ่นใ น, ในรสในเครื่องสัมผัสอันสำบัยุทธ์ด้วยบุญด้วยกุศลอ่าอย่างนี้แหละยกตัวอย่างเช่นไปเห็นรูปพระพุทธเจ้า ซึ่งนักปราชญ์เกจิอาจารย์ทั้งหลายได้ออกแบบหล่อปฏิสถานไว้ตามบทวิหารศาลากา ร, รเรียนเข้าแล้วก็มีจิตชื่นชมยินดีวรนลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระรูปพระโฉมสวยงามอย่างนี้อย่างนี้แล้วพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการบูชาจริง นึกได้อย่างนี้แล้วผมกราบลงไปด้วยความเลื่อมใสจริงๆไม่ใช่กราบตามประเพณีเฉยๆนึกคิดก่อนแล้วจึงกราบลง <c oughs> อันนี้ก็เนื่องมาแต่ตาได้ไปเห็นรูปพระพุทธเจ้านั่นแหละที่นักบวาท่านหล่อประดิษฐานไว้หรือได้เห็นรูปพระสงฆ์สาวกของพระองค์ ซึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามสินสมาธิปัญญาตั้งอยู่ในความสงบไม่เพ่อเพลินมัวเมาไปในลาบยศสนเสริญและความสุขชั่วคราวเป็นผู้ประโยคพยายามทําความเพียรเพื่อกจาจัดกิเลสสัรหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจไม่เห็นแก่หลับแกนอนเมื่อได้ไปเห็นพระสงฆ์เช่นนั่นเข้า ก็มีศรัทธาเลื่อมใสอ่ายินดีพอใจว่าพระสงฆ์เหล่านี้ท่านเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจริงๆงท่านบวชมาเพื่อปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจริงๆไม่ใช่บวชตามประเพณีเฉยๆเมื่อได้เห็นเข้าอย่างนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวมานี้ขึ้นในใจและทำให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาในพระสงฆ์ เป็นเครื่องจูงใจให้เข้าวัดให้ฟังธรรมให้จำสินให้ละความชั่วทำความดีได้ อ, อย่างนี้เลยอันหนึ่งได้ยินเสียงแห่งพระธรรมคำสอนของพระเจ้าท่านแสดงเหตุผลแห่งบุญและบาปดีหรือชั่วผิดหรือถูกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคนเรานี่อเมื่อได้ยินได้ฟังเหตุผลแห่งชีวิตนี้ ได้รู้ได้เข้าใจเหตุปัจจัยชีวิต ต, ตามความเป็นจริงก็ให้เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพรธเจ้าขึ้นมาได้ว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นี่พระองค์แสดงแต่เรื่องจริงให้ผู้ฟังนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยตนเองจริงๆไม่ใช่ว่าพระองค์เจ้าทรงแสดงแบบลี้ลับจนผู้อื่นไม่สามารถจะมองเห็นตามได้ เนี่ยนี่ก็จึงเกิดอัศจรรย์ใจขึ้นมาในเรื่องใสในพระธรรมคําสอนพอได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่พระท่านนำเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงสู่ฟังเอาได้สูตรกลิ่นอาหารการบริโภคก็ดีกลิ่นดอกไม้ของหอมต่างๆขึ้นมาแล้ว ก็ทำให้หวนนึกถึงพระศาสนาว่าถ้าหากว่าเราได้เอาดอกไม้อันนี้ไปบูชาพระก็เห็นจะได้บุญมากอย่างนี้เลยหรือว่าได้กลิ่นอาหารอันมีรสอร่อยอย่างนี้ถ้าได้อาหารอย่างนี้ไปถวายทานก็เห็นจะได้บุญกุศลมากคิดได้อย่างนี้แล้วก็เป็นนี่ได้ขอนขายในทาน เป็นเน่ได้ขอนขาขในการทำสักการะบูชาพัะนนักไตรโดยดอกไม้ธูกเทียนเมื่อได้รับรสอาหารอันอร่อย <c oughs> บุญมากอย่างนี้เลย <c oughs> หรือว่าขึ้นมาแล้วได้ขอนขว า, <c oughs> าอาหารอันมีรสชาตินั้นถาวายทานไปตามเท่าที่จะหาได้เมื่อได้สัมผัสถูกต้อง ของที่อันประนีปรญจงเช่นที่นอนหมอนมุเสื่อสาดอาสนะอะไรมู่นี้แล้ว ก, ก็เป็นเหตุให้ระ ล, ลึกถึงว่าถ้าว่าเราได้ถวายทานที่นั่งที่นอน อ, อ, อันสะอาดสะอานอันนิมนวนอย่างนี้นี่ก็คงจะเป็นบุญกุศลมาก คิดได้อย่างนี้นะก็ขอนายในทานนั้นนี่แหละที่ท่านเรียกว่ากุศลกา ร, รมาประจอนนะมเมื่อเกิดความยินดีพอใจในบุญกุศลเป็นทุนเป็นร้อนแล้ววันนี้ได้พบอะไรเห็นอะไรก็นึกถึงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราทาลงไปอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดบุญกุศล อ, อะไรขึ้นในใจอย่างนี้แหละ นี่ท่านเรียวกว่ากุศลกรรมมาวจรทีนี้บุคคลพวกบำเพ็ญสมาธิภาวนาเข้าไปจเจริญอนาปานสติกอดีหรือจะบริกรรมพุทโธก็ตามเนี่ยทำใจให้สงบะระงับเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วเพ่งร่างกายอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เห็นร่างกายนี้เป็นของแตกของดับเป็นของไม่เที่ยงแค้แน่นอน อยู่อย่างนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปรองจะวางรูปอันนี้ใดแต่หากว่าภายในจิตใจนั้นปราศจากความยินดียินร้ายในรูปนี้แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปต่างๆที่เพ่งพิจารณาอยู่นั้นมีจิตใจเป็นอุเบกขาต่อรูปนั้นอันนี้ท่านเรียกว่าเอา รูปาวจรกุศลกุศลเกิดขึ้นจากการเพ่งรูปกลายนี้เป็นอารมณ์นั่นเนี่ยถ้าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสสนาไปไม่ท้อไม่ถอยพิจารณาเหตุปัใจจัยแห่งชีวิตนี่หเห็นตามเป็นจริงว่าชีวิตนี้เกิดมาเพราะอาศัยกรรมกิเลสวิบาณ อันบุคคลยังละยังปล่อยวางไม่ได้นั่นแหละกรรมกิเลสวิบากเหล่านี้นมันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็ติตดตามมามาตกแต่งรูปกายนี้ให้อาศัยอยู่ต่อไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วรูปกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไป เมื่อผู้จเจริญวิปัสนามาเห็นความเกิดความแปลปวนแตกลับของนามรูปอยู่เสมอเสมออย่างนี้มันก็จะเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเบื่อหน่ายทีละน้อยละน้อยไปจเจริญปัญญาวิปัสนาไปทีไรก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรเบื่อควรหน่ายควรคลายความกำหนัดยินดีไม่ควรที่จะมากำหนดยินดีอยู่ในรูปในร่างอันนี้ วิปัฒนามันสอนใจในี้ให้เห็นแจ้งเลื่อยไปเช่นนี้ถ้าหากว่าบุญวาสนาบารมีมีแก่กลาา้าพอสมควรก็สามารถที่จะได้บรรลุโลภุสระบูสนได้ด้วยการเจริญวิปัฒนายกเอานามรูปนี้ขึ้นมาพิจรารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆเข้าทีนี้ เมื่อพิจารณาเห็นบ่อยๆเขามันแจ่มแจ้งเข้าไปแล้ววันนี้ก็เลยเลยเห็นลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่เพียงสภาวธรรมสภาวธาตุอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทาลายไปเท่านั้นเองรูปนามอันนี้ เป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนอยู่ในนี้เลยเม <c oughs> ื่อมันเจริญพิจารณาเห็นนามรูปเจมแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็หัดปล่อยหัดวางปล่อยวางนามรูปนี้ลงไปถ้าปล่อยวางได้จริงจิตมันก็จะรวมลงเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่ง ไม่คิดไม่นึกไปไหนไม่ต้องการอะไรในขณะนั้นเป็นแต่เพียงว่ารู้ตนเองว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ได้ยึดถืออะไรในโลกนี้รู้อยู่แต่ว่ารู้ไม่ยึดรู้ไม่ถือรู้รูปกายนี่ก็รู้นะครับมาทำเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณอย่างนี้ก็รู้แต่ว่าหากไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของตัวของต น, อนตรงนี้แหละมันสำคัญให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่ารู้แจ้งแล้วรู้เท่าแล้วนั้นจักไม่ได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงแปรผันของนามของรูปคนนี้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ต้องรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ย มันแปรปวนไปอย่างไรก็รู้สึกอยู่อย่างนั้นมันเป็นปกติอยู่ก็รู้สึกอยู่ในใจอย่างนั้นแต่ถ้าว่ามันรู้เท่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามรูปนามอันนั้นเมื่อรูปนามนั้นเป็นปกติดีแข็งแรงดีกระปรี้กระเปาดีก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปในนามนั้นเมื่อรูปนามนั้นวิบัตแปร ป, ปวนไป ก็ไม่เสียใจเศร้าโศกไปกับนามกับรูปนั้นไปตัต้หาความทยานอยากก็อยากให้รูปอยากให้นามนี่ยั่งยืนสืบต่อไปอย่างนั้นก็ไม่มีเพราะเห็นแจ้งแล้วว่ารูปนามนี่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังแม้จะปรารถนาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของมัน ถึงเวลามันหมดเหตุปจัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเหมือนตะเกียงและคมไฟอาศัยน้ำมันและไส้จุดไฟเข้าไปก็ลุกโครงถ้าไฟมันไหม้น้ำมันหมดแห้งไปแล้วไฟนั้นก็ดับอู้ลงจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ตามมารักษาตกแต่งรูปนามนี้ให้แล้ว รูปนามนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็เช่นนั้นแหละต้องแตกดับทำลายไปดังนั้นเนี่ย <c oughs> พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรประมาทเพราะว่าทุกคนย่อมมีรูปมีนามอันเป็นที่อาศัยอยู่เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าใครรดวงจิตดวงนี้นะได้อาศัยรูปกับนามนี่แหละอยู่แต่ว่าอาศัยอยู่แล้วไม่ได้รู้แจ้งมันตามไม่จริง มันก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้นะเดือดร้อนเรื่อมวน่ะถ้าเราได้มาอาศัยนามรูปนี้อยู่แล้วได้อบรมจิตนี้ให้ฉลาดเฉลียวมีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในนามรูปนี้ตามเป็นจริงปล่อยวางไม่ถือมันว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาได้อย่างนี้มันก็มีความสุขสบายได้จิตใจไม่ทุรนทุรายไม่เดือดร้อนแต่พอ ร, รู้แจ้งตามเป็นจริง แล้วละความถือมั่นเสียแล้วการที่บุคคลจะมาละความถือมั่นนี่แหละนะับว่าเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าบุญวาสนาบา ร, รมีไม่แก่กล้าจริงๆจะละความถือมั่นในานามในรูปในขันห้าอันนี้ไม่ได้เลยดังนั้นะการที่เราปฏิบัติทําบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมไปจเจริญภาวนาไปนี่เนี่ย ร ว, วนแต่เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้บุญกุศลนี่มันมีกำลังแก่กล้าเมื่อมันมีกำลังแก่กล้าถึงขั้นใดแล้วมันก็จะกำจัดกิเลสตัณหาให้ขาดออกไปจากกิจสัต์สันดาหในขั้นนั้นเพราะกิเลสตัณหานี่มันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดดังนั้น ถ้าบุญกุศลมีพอที่จะขจัดกิเลสอย่างหยาบได้มันก็ขจัดกิเลสอย่างหยาบนั้นให้หมดไปสิ้นไปจากดวงกิดนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ได้ทำบาปไปตลอดชีวิตก็จะปิดประตูอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตนเนี่การละกิเลสของคนเราอาศัยธรรมะดังที่เน้นํำมาตอนต้นนั่นแหละ ศีลการให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมประเภทหนึ่งหมายควาว่าอย่างนั้นเราขอนไขในทานอย่างนี้นะเราแวสวงหาทายทานนั้นก็แสวงหาโดยทางสุจริตให้ได้มาโดยทางสุจริตแล้วให้ทานไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการให้เหล่านี้มันก็จะขจัดความโลภความตนีออกไปจากจิตใจ เราค้นคว้าในศินพยายามสำรวมในศินให้บริสุทธิ์ให้ได้ตั้งเจตนาวิรัต์ละเวน้นจริงๆอและพร้อมกันนั้นก็เจริญเมตตากรุณาในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นทุกคนก็กลัวอาทยาคือความตายเหมือนกันหมดเรากลัวตายฉันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็กลัวตายเหมือนกับเรา ฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็ขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราต่างคนต่างให้อยู่เย็นเป็นสุกรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดเจริญเมตตาไมตรีจิตอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปก็เป็นเหตุให้รักษาศินนั่นได้มั่นคงทีเดียวสินนั่นก็จะกําจัดโทอพยาบาป อันเป็นอกุศลกรรมนี่ออกจากจิตใจไดอ้อย่างนี้แหละบุคคลมาหมั่นขยันในการไหวพระนั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้สงบระ ง, งับลงไปจเจริญปัญญาวิปัสสนาให้ปรากฏแจ่มแจ้งในใจดังกล่าวมานั้น <c oughs> อันนี้ มันสามารถที่จะถอนรากเหง้าของกิเลสตัณหาต่างๆให้ให้ขาดออกไปได้ด้วยการเจริญสมถะวิปัฏนานี้เองเหแต่ให้ทานรักษาสิมนนั้นเพียงแต่ว่าผ่มกิเลสไว้ไม่ให้มันรุกลามขึ้นใหญ่โตถ้าเป็นต้นไม้อย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าตัด ก, กา้านรานกิ่งมันลงไปไม่ให้มันแผ่ออกไปมาก มันจะไปปกคลุมต้นพืชอย่างอื่นแต่แล้วมันก็งอกขึ้นมาอีกไม่ต้นนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้นการที่บุคคลไม่ต้องการให้ไม้ต้นนั้นปกคลุมพืชพันธุ์ทางอาหารหนั่นกก็เอาจอบเอาเสียมเอาขวานมาขุดลงไปตัดรากถอยรากแก้วมันขาดหมดไม่ต้นนั้นก็ตายเลยไม่เกิดอีกต่อไปแล้ว ข้อนี้เปรียบได้กับการเจริญปัญญาวิปัสสนาเพียนพยายามเพ่งพิจรารณานามรูปอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเสมอไปการเพียนนี่หมายเขามาเห็นแล้วเห็นอีกไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันเล้วไปเลยมันมันยังไม่แล้วเขายินรียยังไม่แก่กล้าพอมันก็ยังถอนรากของกิเลสนั้นออกหมดยังไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเจริญไตรลักษณะญาณ น, นี้เสมอๆไปนี่แหละทางตัดหาบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษคือไตรลักษณะญาณ น, นี้นะญาณอย่างรู้ว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทัวตนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็ได้แก่สิ่งที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย แล้วสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคลองได้แก่ต้นไม้ดินหินกวดทรายแม่น้ำลําคลองอะไรต่ออะไรหมู่นีน้นะที่ไม่มีจิตวิญญาณคลองอทั้งหมดนี้นะล้วนแต่เป็นสภาว ธ, ธ, ธรรมอยู่ตามธรรมดาของมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ อันนี้นะบอกเป็นความจริงแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เจริญธรรมถัยปัญญานี่มันยังไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้เท่านั้นเองแหละมีแต่เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรส อ, อันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่งตางๆในโลกพิธคาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อหน่ายว่าเรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่แหละมาอาศัยอยู่ในของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ มาอาศัยอยู่กับมันแล้วบังคับให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านจึงเบื่อหน่ายเอกเบื่อหน่ายว่ามันบังคับไม่ได้อยากให้มันยั่งยืนมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ให้ได้อยากให้มันสวยมันงามอย่างนี้มันก็ไม่สวยไม่งามอยู่ได้อไม่อยากให้มันชำรุดทุดโทรมไปมันก็ไม่ฟังนี่มันพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วจึงได้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา นี่เรียกว่าเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาไม่ใช่เบื่อหน่ายตามธรรมดาเฉยๆเมื่อเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาเช่นนี้มันก็สามารถคลายความยึดความถือเสียได้เมื่อนั้นละจิตกว็วิมุตต์คือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหา้อยใหญ่ทั้งหลายตามกำลังวาสนาบารมีของตนของตนดังแสดงมา สมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้